มงคลทีปนีแปลยกศั์ภาคที่หนึ่งข้อที่8อาทะอิตินวงเล็บสัตโตอันว่าสับว่าอาทะดังนี้นิปาโตเป็นนิบาตนวงเล็บโหติย่อมลงอวิเชทะเถในอัตว่าไม่ขาดสายสุลภาคโค อ, อิติวงเล็บสัตโท อันว่าสับว่าโกดังนี้นิปาโตเป็นิบาตวงเล็บโหติย่อมลงอธิการันตะระนิทัศนเตในอาจว่าแสดงซึ่งเรื่องอื่นจบประโยคดังเล็บอานันทเตโรอันว่าพระเถระชื่อว่าอ น, นุนนิทัศเสติย่อมชี้แจงว่าบนเลน็กในอธิการันตรัง อันว่าเรื่องอื่นอวิชินนังเอวะอันไม่ขาดแล้วนั่นเดียวอุทาปาทิได้เกิดขึ้นแล้วตัทะองเล็บตาเนในที่นั้นตัทธะงเล็บตาเนคือว่าพระควโตวิหาเรสุตภาพวิหาเรในที่เป็นที่ประทับพระควโตแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติ ดังนี้เทนะวงเล็บอุพยสัตเทนะด้วยศัพท์ทั้งสองนั้นจะประโยควงเล็บอานันทเทโรอันว่าพระเถระชื่อว่า อ, นนอานนท์ฮะกล่าวแล้วอัญญตาเทวตาอิติอาทิงวงเล็บวัจนังซึ่งคํามีคําว่าอัญญตราเทวตาดังนี้เป็นต้น องเล็บปา ร, ริหริตุงเพื่อนเฉลยองเล็บปุฉังซึ่งคำถามว่าตังองเล็บอธิการันตังอันว่าเรื่องอื่นนั้นกิงคืออันว่าอะไรอิติดังนี้จบประโยควงเล็บอโถอันว่าอันว่าองเล็บเทวตาอันว่าเทวดาเอกาองหนึ่งอะปากะตา ผู้ไม่ปรากฏแล้วนามโคตตะโตโดยนามและโคธวงเล็บอิติดังนี้ตัทธะวงเล็บปเทสุเป็นเลขในอัญญตาอิติวงเล็ปทัสสะแห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบ่นว่าอัญญตาดังนี้จนประโยคที่ยงอยู่เทวตาอิติ เอตังวงเล็บวัจนังอันว่าคําว่าอันว่าเทวดาดังนี้นั่นอิติปุริสสะสาทารังนามังเป็นชื่ออันทั่วไปแก่สตรีและบุรุษวงเล็บโหติย่อมเป็นตัประโยคะนะแต่ว่าปุริโสเอวะอันว่าบุคคลนั่นเดียววงเล็บอนันทนเอเรนะ อันพระเตราชื่อว่าอนนุวุตโตเรียกแล้วว่าเทวตาอันว่าเทวดาอิติดังนี้อิทะองเล็บสุดเตในพระสูตรนี้จะประโยคอันโธอันว่าเนื้อความว่าเทวปุตโตอันว่าเทพบุตรอิติดังนี้จะประโยควงเล็บอันโธอันว่าอันว่ารัตยาครั้นเมื่อราตรี ปัมยามะสังขาตายะอันอันบันดิตนับพร้อมแล้วว่าปตมยามปริกีนายะสิ้นราบแล้ววงเล็บอิติหนังนี้วงเล็บปะทัตวิยะสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าอภิกันตายะรติยาอิติหนังนี้จบประโยคหิจึงอยู่อภิกันตะสัตโต อันว่าอภิกันตศัพท์เอตะวงเล็บเปิดอภิกันตายะรติยาอิติวจเนปิดวงเล็บในคําว่าอติกันตายะรติยาดังนี้นี้วัตติย่อมเป็นไปเขเยในความสิ้นไปจุลภาครติสโตอันว่ารติศัพท์วงเล็บ ว, วัตติย่อมเป็นไป พมยาเมในปฐมยามเปิดเล็กในเปรียบรวบอภิกันตาพันเตรตินิขันโตปัโมยาโมอีดีอาริสุเปิดวงเล็บบายโยเกสุอภิกันตะสัทธารติสัทธังปิดวงเล็บวิยะราวกัอันว่าอภิกันตะสับและรัติสับ ในประโยชนทั้งหลายมีประโยคว่ากาแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าราตรีสิ้นไปแล้วสุลภาคอันว่ายามที่หนึ่งผ่านไปแล้วดังนี้เป็นต้นจบประโยคงมงเล็บ อ, อัตโออันว่าอ่านว่าอภิรูปัจวิผู้มีผิวงวดงามมงเล็บ อ, อิติดังนี้โมเล็บปัทละสะแห่งบทว่าอภิกันตะวันณาอิติดังนี้ จุประโยคอ์ยิงอยู่อภิกันตสดโดอันว่าอภิกันตศัพท์เอธาวงเล็บเปิดอภิกันตว น, นาอิติวจเนปิดวงเล็บในคําว่าอภิกันตว น, นาดังนี้นี้วัตติย่อมเป็นไปอภิรูปเปในอ่านว่างด ง, งามเปรยียบรวบอภิกันเตนะวันเนนะ สัพพาโอภาสยังท่สาอิติอาริสุเปิดวงเล็บประโยเกสุอภิกันตะสัดโดปิดวงเล็บ ว, วิยะอธิบายประโยครวบวิยะราวกับอภิกันตะสัดโดอันว่าอภิกันตะสับประโยคสุในประโยคทั้งหลายมีประโยคว่าเปิดเลขในอันว่าใคร มีวันนะอันงดงามอย่างที่ทั้งหลายทั้งปวงให้สว่างสวายอยู่ดังนี้เป็นต้นวันณะสโดอันว่าวันณศัพวงเล็บ ว, วตติย่อมเป็นไปฉะวิยะในอัดว่าผิวเปิดเล็ขในสุวันณะวันโนภะควาอตีอาริสุเปิดวงเล็บประโยเคสุวันณสัตโธปิดวงเล็บ วิยะวิยะเรากับอันว่าวันนะสั์ในประโยคทั้งหลายมีประโยคว่าอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชีวีวันดังสีแห่งทองดังนี้เป็นต้นโดยประโยคโดวงเล็บอัโธอันว่าอัดว่าสมันตะโตโดยรอบอนวะเสสังไม่มีส่วนเหลือวงเล็บอิติ วงเล็บปัทสสะแห่งบทว่าเกวะละกับปังอิติดหล น, นี้ดบประโยคอีจึงอยู่อะนวะเสสะตาอันว่าความเป็นแห่งสับไม่มีส่วนเหลือลงอตโตเป็นความหมายเกวะละสัตทัศของเกวะละสับเอทะวงเล็เปิดเกวะละกับปังอิติวัจเน วงเล็บในคำว่าเกวละกับปังหนังนี้นี้เปิดวงเล็บเปรียกรวบเกวละปะริปุนังปริสุทังพระมหจริยังอิติอาทติสุเปิดวงเล็บบโยเกสุเกวละสัตโตปิดวงเล็บวิยะราวกับอันว่าเกวะละสับในประโยคทั้งหลายมีประโยคว่าเปิดวงเล็บ อันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแล้วลซึ่งพรมจันทร์อันหมดจุดรอบแล้วอันเต็มรอบแล้วโดยไม่มีส่วนเหลือเนนี้เป็นต้นจุลภาคสัมมันตภ า, าโวอันว่าความเป็นโดยรอบอันโถเป็นความหมายกัปปะสัทธัสสะของกับบปปะสับตัวเล็กในเยวะกัปัง เวรุวนันังโอภาเศตาวาอิติอาทิสุเปิดวงเล็บประโย ค, คสุกับปะสัตโตบิยะปิดวงเล็บราวกับอันว่ากับปะสั์ในประโยคทั้งหลายมีประโยคว่าอย่างพระเวรุวันโดยรอบไม่มีส่วนเหลือให้สว่างแล้วดังนี้เป็นต้นส่วนประโยควงเล็บอัโธ อันว่า่านว่าปริตตวาแป่ไปแล้วอาายะด้วยรัศมีวงเล็บอิติดังนี้โงเล็บปัทสสะแห่งบทว่าโอภาสิตวาอิติดังนี้จุลภาคทโถอันว่าอธิบายว่ากริตตวากระทาแล้วเอโกภาสังให้มีแสงสว่างเป็นนันเดียวกันจันทสุริยาวิยะ เล่ากะอันว่าพระจันท์และพระอาทิตย์ทั้งหลายอิติดังนี้จุดประโยควงเล็บอโัโตอันว่าอัตวามัคควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านิสีสติประทับนั่งอยู่ยะะวงเล็บฐานเนในที่ใดจุลภากวงเล็บเทวตาอันว่าเทวตาขาตาไปแล้วตัทะวงเล็บฐานเน ในที่นั้นโงเล็บอิติดังนี้โมเล็ประทานังแห่งบททั้งหลายว่าเยนะภรกวาเตนุบัสังกมิอิติดังนี้จดประโยคน์ที่ยิงอยู่เอตังโมงเล็บเปิดเยนะเตนะอิติปะทาว่าอย่างโงเล็ปิดอันว่าหมวดสองแห่งบทว่าเยนะเตนะ ดังนี้นั่นกรตณะวัจจนังเป็นตติยาบิพัตบงเลบโหติย่อมลงภูมมันเถในอาจแห่งสัตตมีวิพัฒจะประโยคว่าอีกอย่างหนึ่งอันโธอันว่าที่บายว่าพกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเทวมนุษยเสหิอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอุบะสังกับมิตตโป พึ่งเข้าไปเฝ้าการเนนะด้วยเหตุนานับป่การะกุณวิเศษสาทิปายสังขาเตนะอันอันบัณดิตนับรมแล้วว่าความประสงค์ซึ่งคุณวิเศษอันมีประการต่างๆเ ย, ยนะใดจุลภาคบงเล็บเทวตาอันว่าเทวดาอุปสรรคะมิเข้าไปเฝ้าแล้วการเนนะด้วยเหตุเตนะนั้นอิติ ดังนี้จุดประโยคข้อที่เอุปสังกมิตวาอิติวงเล็บว่จนังอันมากคำว่าอุปสังกมิตวาดังนี้อุปสังกะมะนาวสาระทีปนังเป็นคําเป็นเครื่องแสดงซึ่งการเป็นที่สุดลงแห่งการเข้าไปเฝ้าวงเล็บโมติย่อมเป็นจุดประโยคว่าอีกอย่างหนึ่ง อัฏอันว่าอธิบายว่ารงเล็บเทวดาอันว่าเทวดาคตาพูไปแล้วเอวังอย่างนี้กันตาบาไปแล้วฐานังสู่ที่อาสันนตรังอันใกล้กว่าตโตวงเล็บฐานโตกว่าที่นั้นสตุสมีปะสังขาตัางอันอันบนดิดนับพร้อมแล้วว่าที่ใกล้ต่อพระศาสดา อิติปิดังนี้บ้างจดประโยควงเล็บอัโตอันว่าอ่านว่าวันทิตวาถวายบังกลมแล้ววงเล็บอิติดังนี้วงเล็บมัทสะแห่งบนว่าอภิวาเทตวาอิติดังนี้จดประโยควงเล็บอัโธอันว่าอ่านว่ า, อวาเอโกกาสังณนะโอกาสแห่งหนึ่ง เอกกาสังคือว่าเอกาปัตสังเอกาปัตสังนะส่วนข้างหนึ่งวงเล็บอิติดังนี้วงเล็บปัทสัแห่งบทว่าเอกามันตังอิติดังนี้ตัวประโยคเอตังเปิดวงเล็บเอกามันตังอิติประทสังปิดวงเล็บอันว่าบทว่าเอกามันตังดังนี้นั่น ภาวะนับุงส ก, กังเป็นนับุงส ก, กลิงตามภาวะวงเล็บโหติย่อมเป็นจุลภาควาอีกอย่างหนึ่ง เ, ป, ง เ, เ, งเง ป, งปิดวงเล็บเอัเอกัมมันตังอิติมาทังปิดวงเล็บอันว่าบทว่าเอกัมมันตังหนังนี้นั่นอุบโยควจนะเป็นทุติยามิพัตทวงเล็บโหติย่อมลง ภูมิมัณเเตในอาจแห่งสัตมีวิพัฒนุรภาคอัโตอันว่าเนื้อความว่าเอโกกาเสณนะโอกาสแห่งหนึ่งอิติดังนี้จบประโยควงเล็บอัโตอันว่าอัดว่ า, วากเปสิสำเร็จแล้วฐานังซึ่งการยืนวงเล็บอิติดังนี้วงเล็บปัทสสแห่งบทว่าอัตตาสิ กิติดังนี้จุลภาคคาโธอันว่าเนื้อความว่าทิตาเป็นผู้ยืนอยู่แล้วอโหสิได้ไปแล้วอิติดังนี้จุประโยคหิจิงอยู่เทวตาอันว่าเทวดาวัดเชตวาทิตาผู้ยืนเว้นแล้วฐานะโทเส ซึ่งโทษแห่งการยืนหกทั้งหลายอิติคืออติปัจจโตฐานังอันว่าการยืนข้างหลังนะักจุลภาคอติปุระโตวงเล็บฐานังอันว่าการยืนข้างหน้านักจุลภาคอาชาสันเทวงเล็บฐานังอันว่าการยืนในที่ใกลนะ้นักจุลภาคอะติทุเรวงเล็บฐานัง อันว่าการยืนในที่ไกลนักจุลภาคปฏิวาเตวงเล็บฐานังอันว่าการยืนในที่อันเป็นไปทวนซึ่งลมจุลภาคอุณตตะปะเทเสฐานังอันว่าการยืนในประเทศอันสูงเอขมันตังติตานามะชื่อว่ายืนอยู่แล้วนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งจบประโยควงเล็บปุชา้า อันว่าการถามว่าพณะก็ อ, อยังนี้วงเล็บเทวตาอันว่าเทวดาณนะนิสีติย่อมไม่นั่งกัศมาพระเหตุไรวงเล็บอิติดังนี้จะประโยควงเล็บวิสัชฉนังอันว่าการแก้ว่าเปิดวงเล็บอยังเทวตาอันว่าเทวดานี้ณนิสีติย่อมไม่นั่ง ปิดวงเล็บละหุนิวัติตุกามดายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ใคร่เพื่ออันกลับเร็ววงเล็บอิติดังนี้จบประโยคอิจิงอยู่เทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายปฏิจจ์อาศัยแล้วกระนังงังซึ่งเหตุกินจิเอวะบางอย่างนั่นเทียวอากัดฉันติย่อ ม, มามนุสสาโลกัง สู่โลกของมนุษย์อสุจิปูริตังวัดจดถานังวิยะอันราวกะซึ่งเป็นที่ถ่ายซึ่งอุจระอันเต็มแล้วด้วยของไม่สะอาดจุลภาคปะนะก็มนุษย์สารโลโกอันว่าโลกของมนุษย์ปฏิกูโลเป็นโลกน่าเกลียดโหติย่อมีเอตาสังวงเล็บเทวตาหนัง แกเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นโยชนะสะตะัตตปภูติจำเดิมแต่ร้อยแห่งโยตภกติยาโดยปกติทุกขันทะตายะและความที่แห่งโลกมนุษย์นั้นเป็นโลกมีกลิ่นเหม็นจุรภาควงเล็บเทวดาอันว่าเทวดาทั้งหลายณนะอภิรมันติย่อมไม่ยินดียิ่งนัทะวงเล็บมนุษโลเก ในโลกของมนุษย์นั้นจุลภาคเตนะองเล็บการะเนะเพราะเหตุนั้นอังมงเล็บเทวดาอันว่าเทวดานี้นะนิสีติย่อมไม่นั่งอาคตกิจจังกัตวาละหุนิวัติตุกามตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ใคร่เพื่อนกระทำซึ่งกิจของบุคคลผู้มาแล้ว แล้วจึงกลับไปเร็วจนประโยคก้อที่10เทวปุตโตอันว่าเทวบุตรโสนั้นที่โตผู้ยืนอยู่แล้วเอกมันตังนะส่วนที่สุดข้างหนึ่งเอวังอย่างนี้ที่สว่าเห็นแล้วเทวพระามาโนซึ่งเทวดาและพรหมทั้งหลายอะสะสหัสจั ก, กวาเลสุ ในจักรวาลหมื่นหนึ่งทั้งหลายเปรียกรวบมังคละปันหังโสตุการะมัตยะอิมัตสมิงจักรวาเลสันนิปติตวาเอกวาลัคคะโกติโอกาสมันเตทะสังปิวีสังปิติงสังปิจัตาลิสังปิปัญญาสังปิสัตตติงปิ อสีติงปิสุขุมัตตภพาเวนิมมินิตวาสเพเปเดุงเล็บเทวะบระมามโนอติกัมมะวิราชมานังปัญญัตตประวระพุทธาสเนนิสิ น, นังภะควันตังป ร, ริวาเรตวาทิเตผู้ประชุมกันแล้วในจักรวาลนี้ ด้วยความที่แห่งตนเป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟังซึ่งมงคลปัญหาเนียนมิตแล้วซึ่งอัถภาพอันละเอียดทั้งหลายสิบบ้างยี่สิบบ้างสามสิบบ้างสี่สิบบ้างห้าสิบบ้างหกสิบบ้างเจสิบบ้างแ0สิบบ้างอันมีโอกาสของที่สุดแห่งขนสายเส้นหนึ่งเป็นประมาณยืนแวดล้อมแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับนั่งแล้ว บนาสนะแห่งพระพุทธเจ้าอันประเสริฐอันบุคคลปูลาแล้วผู้ทรงเปล่งปลางอยู่ก้าวล่วงซึ่งเทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงอัญญายะรู้ทั่วแล้วเจโตปริวิตักังซึ่งความปริวิตกแห่งใจมนุษย์านางของมนุษย์ทั้งหลายสากละจำพุทีปากานังผู้อยู่ในจุบุตวิติทั้งสิน้นแต่สมิง สมยเยอนาคตานังปิแม้ผู้ไม่มาแล้วในสมัยนั้นเจตาสาด้วยใจปุจิทูลถามแล้วพักค้าวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสพระเทวมนุษสาหนังวิจิกิจชาสัละสมุดธระนัดถังเพื่ออันถอนขึ้นพร้อมซึ่งลูกสรคือความสงสัย แห่งเทวดาและมนุษย์ต้งปวงตั้งหลายจนประโยคเตนะวงเล็บการะเนนะเพราะเหตุ น, นั้นปะเล็กในเอกัมมันตังทิตาโขสาอิติอาทิวงเล็บวจนังอันว่าคำมีคำว่าเอกัมมันตังทิตาโขสาตานี้เป็นต้นวงเล็บอนันทเถเรนะอันพระเถระชื่อว่าอ น, นุ์ มุตังกล่าวแล้วสุประโยค